ข้อข้อต่อไปใครคือพระอาหารหันต์เรื่องที่ว่าพระอริยะหรือพระอาหารหันต์ท่านไม่รู้เรื่องที่คนอื่นได้นิพพานแล้วอันนี้ก็มีปรากฏอยู่ทั่วไปในพระสู่ในพระไตรปิฎกตามปกติคนจะพูดกันว่าคนที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์ด้วยกันแต่พระอาหารหันต์ส่วนมากท่านไม่รู้หรอกครับ ยกตัวอย่างในเรื่องพรละลกุณตกะพัทถยะพระสารีบุตรเทศให้พรละลกุณตกะพัทยฟังเทศไปท่านก็เข้าใจว่าพราละลกุณตกะพัทถยายังไม่สำเร็จท่านก็เทศให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปที่จริงพรละลกุณตกะพัทถยะท่านสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระยานว่าตอนนี้พระสารีบุตร กำลังแสดงธรรมแก่พรละลักขุนตกะพัทถยาอยู่พรละลักขุนตกะพัทถยาสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทักขึ้นมาสารีบุตรพอแล้วเขาสำเร็จแล้วอันนี้ดูในอุทานคำภีรพระไตรปิฎกเล่มที่ยีหพระสารีบุตรยังไม่รู้ว่าท่านพู้ น, นี้สำเร็จแล้วก็ลูกศิษย์พระสารีบุตรมีบ่อย ในพระอัฏฐกถาธรรมบทหรือหลายแห่งพระสารีบุตรบอกกรรมฐานให้ไปทำสมถาวิปัสนาในป่าแล้วก็กลับมาท่านก็บอกไปอีกก็กลับมาท่านบอกไปกี่ครั้งกี่ครั้งเขาก็ไม่สำเร็จสักทีหนึง่งท่านไม่รู้จะทำอย่างไรก็คิดว่าคนนี้คงจะเป็นพุทธเวยในคือต้องให้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำก็พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็สั่งสอนให้ทํำนั่นทำนี่เช้าถึงเที่ยงก็สําเร็จแล้วทํานองนี้แม้มีปัญญาขนาดพระสารีบุตรก็ยังไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับทุกวันนี้เราชอบพูดกันเสมอว่าผู้ที่รู้ว่าใครเป็นพระอรหรันต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยที่จริงแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่ค่อยรู้เพียงแต่เทียบเคียงภูมิธรรมเท่านั้นสมมุติว่า ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยแปดประการเรามาดูว่าวิราคะอะไรต่างๆดูว่าท่านปฏิบัติต่างๆเทียบเคียงดูว่าน่าจะเข้าเขาว่าน่าจะได้ระดับใดระดับหนึ่งก็พออนุมานได้ว่าท่านละได้ขนาดนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้ดูพฤติกรรมด้วยและดูสิ่งที่ท่านละได้สิ่งที่ท่านทําอยู่อย่างนั้นมากกว่า เพราะการที่จะรู้ได้นี่ในตำราก็บอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้อันนี้ได้คติหลายอย่างการที่ตำราได้รวบรวมสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้คติกับพวกเราหลายอย่างคือหนึ่งทำให้เราไม่กล้าที่จะไปวินิจฉัยหรือไปคิดเอาว่าท่านผู้นั้นผู้นี้เป็นอะไรอยู่ชั้นไหนแล้ว2 ทำให้เรารู้สึกเจียมตัวไม่กล้าวินิจฉัยอะไรลงไปเด็ดขาดโดยที่ไม่ได้เผื่ออะไรไว้บ้างเลยคืออาจจะผิดก็ได้เพราะเรายังไม่ถึงตรงนั้นมันอาจจะผิดพลาดก็ได้ก็ทำให้เรามัดระวังมากขึ้นนี่ก็ดีที่ท่านรวบรวมประวัติของพระเทระต่างๆเอาไว้ให้ดูเป็นแนวทางว่าชาวพุทธควรจะเป็นอย่างไร หม่อมราชวงศ์คึกฤท์เขียนเอาไว้นานแล้วว่าท่านอ่านประวัติของอาจารย์มั่นที่อาจารย์พระมหาบัวเขียนหม่อมคึกฤทธ์ก็ถามว่ามหาบัวรู้ได้อย่างไรแต่ท่านมหาบัวก็เขียนไว้ว่าอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังคือถ้าเผื่อภิกษุด้วยกันก็เล่าได้ พระมหากัสปะก็เคยเล่าให้พระอานุน์ฟังว่าท่านบวชอยู่ได้เจ็ดวันท่านบริโภคโดยเป็นนี่อยู่เจ็ดวันหลังจากนั้นท่านก็เป็นสามีบริโภคคือหมายความว่าท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นปุถุชนอยู่เพียงเจ็ดวันหลังจากบวชมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นคือพระที่แม่น้ําวักุมุธา เกิดข้าวยากหมากแพงไม่รู้จะทำไงก็ไม่มีคนเข้าวัดเลยเลยอวดกันองค์นี้อวดให้องค์นั้นองค์นั้นมาอวดให้องค์นี้เพื่อจะได้ลาบสการะแล้วมาคุยกับชาวบ้านด้วยว่าองค์นั้นองค์นี้เป็นอรหันต์ทำให้คนแตกตื่นเข้ามาเคารพกราบไหว้มีลาบสการะเพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าจึงได้ห้ามอวด แต่ที่พระมหากัสปะท่านเล่ากับพระอ น, นุ์ น, นั้นมีเหตุตรงที่ว่าพระอ น, นุ์ น, นิมนท่านไปสอนภิกษุณีพระมหากัสปะท่านก็ไม่ค่อยอยากไปแต่ท่านก็เกรงใจพระอ น, นุ์นเพราะรักพระอ น, นุ์นมากก็เลยไปสอนภิกษุณีแล้วก็มีภิกษุณีปากบอลคนหนึ่งบอกว่าพระมหากัสปะไม่เจียมตัว มากล่าวทมต่อหน้าเวเทหามุนีหมายถึงพระอนนท์มุนีผู้เป็นนักปราชัเหมือนเอาเข็มไปขายกับคนทำเข็มหรือพ่อค้าเข็มพระมหากัสตน์ได้ยินดังนี้ก็ไม่พูดกับภิกษุณีท่านก็พูดกับพระอนนท์บอกว่าอนนท์ใครกันที่เป็นคนทำเข็มใครกันที่เป็นพ่อค้าเข็ม เราเองนี้บริโภคปัจใจของทายกหรือความเป็นหนี้อยู่แค่เจ็ดวันหลังจากนั้นก็เป็นสามีบริโภคคือท่านก็พูดเตือนพระอนุน์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นพระสวัสดาบัลอยู่ท่านก็เล่าถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านให้มีวิหารธรรมเสมอด้วยพระองค์เคยแลกสังคารติกันใช้ท่านก็พูดกับพระอนุน์ คือท่านเอ็นดูพระอ น, นุ์มากแม้พระอ น, นุ์จะมีสีรษะหงอกแล้วอายุมากแล้วก็ยังเรียกว่ากุมารน้อยอยู่หัวข้อต่อไปปัจจัยให้ถึงพระนิพพานมีปัญหาข้อหนึ่งมีคนถามว่านิพพานไม่มีเหตุปัจจัยเป็นอสังขตังไม่มีเหตุปัจจัยปรุงเวลาพุทธบริษัทเราทำบุญทำกุศล มักอธิษฐานว่าด้วยอํานาจบุญกุศลนี้ขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานทีนี้ถามว่าเมื่อนิพพานไม่มีปัจจัยแล้วจะเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานได้อย่างไรคําว่าปัจจัยนี้ไม่ใช่ไปปรุงแต่งนิพพานแต่เป็นวิธีหรือแนวทางที่จะเข้าสู่นิพพานเหมือนว่าเราเดินทางไปเชียงใหม่ เราก็ต้องอาศัยเงินทองบ้างอาศัยยานพาหนะบ้างแต่ว่าเงินทองหรือยานพาหนะไม่ได้ไปทำอะไรกับเชียงใหม่ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเชียงใหม่แต่เพียงว่ายานพาหนะนี้เป็นปัจจัยให้เราไปถึงเชียงใหม่เท่านั้นอย่างในรัฐวินิตสูตรพระสารีบุตรกับพระปุณณมันตานีบุตรสนทนากัน เรื่องเปรียบเหมือนรถเจ็ดพลัดพระสารีบุตรถามพระปุณณมันตานีบุตรว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรแล้วก็เอาวิสุทธิเจ็ดเป็นตัวตั้งว่าเพื่อสีลววิสุทธิหรือพระปุณณามันตานีบุตรก็ตอบว่าไม่ใช่เพื่อจิตตะวิสุทธิหรือหรือเพื่ออะไรอะไรเรื่อยไปนะครับจนถึงญาณวิสุทธิ ท่านบอกไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นท่านประพฤติปรมจารย์เพื่ออะไรพระปุณณมันตานีบุตรก็ตอบว่าเพื่ออนุปาทาปรินิพพานคือนิพพานที่ไม่มีเชื้อเหลือท่านก็เปรียบเหมือนการเดินทางจากเมืองสาวัตถีไปเมืองสาเกตด้วยรถเจ็ดพลัดเปลี่ยนรถเจ็ดครั้งรถนั้นไม่ใช่เมืองสาเกต แต่เป็นปัจใจให้ถึงเมืองสาเกตวิสุทธิเจนั้นก็ไม่ใช่นิพพานแต่เป็นปัจใจให้ถึงนิพพานวิสุทธิเจย่อลงก็เป็นศีลสมาธิปัญญาตัวที่หนึ่งก็ศีลตัวที่สองก็สมาธิตัวที่สามถึงเจก็ปัญญาทั้งหมดต่อไปหัวข้อเรื่องนิพพานคืออะไร ในนิพพานาสูตรสลายตนาวัชสังยุตตนิกายท่านก็พูดถึงว่าราคะขโยโดสขยโยโมหขยโยนี่เรียกว่านิพพานชัมภูขาท ก, กะถามว่านิพพานคืออะไรพระสารีบุตรก็ตอบว่าราคะขโยโดสขโยโมหขยโยอีดังวจัจตินิบานังคือนิพพาน เขาถามต่อไปว่าท่านผู้มีอายุปฏิปทาก็ดีมรคก็ดีที่จะทําให้แจ้งซึ่งนิพพานมีหรือไม่พระสารีบุตรก็ตอบว่ามีอยู่นั่นก็คือมรคมีองค์แปดเขาก็ถามต่อไปว่าท่านผู้มีอายุคําว่าอารหัดดังนี้อย่างไรเรียกว่าอารหัด พระสารีบุตรก็ตอบอย่างเดิมว่าสิ้นราคะโทสะโมหะเรียกว่าอารหัตเขาก็ถามหนทางปฏิปทาเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งพระอารหัตพระสารีบุตรก็ตอบว่ามักมีองค์แปดนั่นเองเป็นทางให้แจ้งซึ่งอารหัตเขาถามต่อว่าคนที่เรียกว่าทรรมวาทีเป็นอย่างไร คนที่เรียกว่าปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรคนที่เรียกว่าไปดีแล้วเป็นอย่างไรพระสารีบุตรก็ตอบว่าผู้ใดแสดงธรรมเพื่อละราคะเพื่อละโทส ะ, เ พ, ะ, ทะเพื่อละโมหะผู้นั้นเรียกว่าเป็นธรรมวาทีผู้ใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะผู้นั้นเรียกว่าสุปฏิปันโน ผู้ใดละราคะโทสะโมหะได้หมดแล้วไม่เกิดขึ้นอีกผู้นั้นเรียกว่าเป็นสุขโตเป็นผู้ไปดีแล้วชําผู้ขาท ก, กะปริพาชกถามพระสารีบุตรตอไปว่าคนอย่างไรเรียกว่าเป็นผู้โปร่งใจเป็นผู้หายใจคล่องเป็นผู้ปลอดโปร่งปัตสาสัพปัตโตพระสารีบุตรตอบว่า ผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งอายตนะหกรู้ทางที่จะสลัดออกไปจากอายตนะนี่เรียกว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งใจถ้ายังไม่รู้อายตนะไม่รู้การเกิดดับไม่รู้ทางที่จะสลัดออกก็ยังไม่เรียกว่าเป็นผู้หายใจคล่องท่านก็ถามถึงหนทางที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นที่จะให้หายใจคล่องมีหรือไม่ พระสารีบุตรก็ตอบว่ามาร์กมีองค์8ดต่อมาอีกข้อหนึ่งเขาถามว่าคนอย่างไรเรียกว่าเป็นผู้หายใจคล่องอย่างยิ่งเติมคำว่าประมะเข้ามาอีกตัวประมะปัดสาสั์ปัดโตพระสารีบุตรก็ตอบว่านอกจากที่รู้อายตนะทั้งหตามความเป็นจริงแล้วแล้วก็เป็นผู้หลุดพ้น เพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะหกนั้นเป็นผู้โปรงใจอย่างยิ่งปรามาปัสสาส์ปัตโตเราจะพูดนิพพานในแนวประยุกต์เอามาใช้ในชีวิตประจำวันคือยังไม่หมดวิเลแต่ว่าดับชั่วคราวเราเรียกว่านิพพานโดยอนุโลมโดยเอาวิมุตหหรือนิโรธห้ามาตั้ง ก็การหลุดพ้นชั่วคราวได้ชิมรสของนิพพานชั่วคราวเมื่อมีความสุขอย่างนั้นแต่เป็นไปโดยชั่วคราวถ้ารักษาไว้ได้ถาวรก็เหมือนกันกับพระอริยะถ้าใครด่าเราแล้วเราไม่โกรธตอบก็เป็นตทาง้าวิมุตต์วิมุตติหรือปหานนะหรือนิโรธหรือวดสักคะเหล่านี้เป็นไวพุทธของนิพพาน คำ ว, ว่านิพพานมีไวยพธมากเช่นชุดหนึ่งมีดังนี้ 1. มะดะนิมมะดะโนย่ำยีความเมา 2. อิปปาสวินโยการไม่กระหายหรือหมดความกระหาย 3. อาลยะสมุคคาโตถอนความอาไลซะได้ 4. วัตตูปัตเชโดตัดวัตตะหา ตันหักขะโยสิ้นตันหาหกวิราโคปราศจาราคะเจ็ดนิโรโทดับกิเลสแปนิบานังดับกิเลสเหล่านี้เป็นไวโพธของนิพพานทั้งนั้นทีนี้ถ้าเอาวิมุตก็ดีปหานะก็ดีเป็นไวยพธของนิพพานมันก็มีนิโรธอยู่หระดับ ระดับต้นสองระดับเป็นของที่ยังละกิเลสไม่ได้แต่ว่าเป็นไปชั่วคราวไม่ได้เด็ดขาดบางท่านบอกว่านิพพานแบบนี้มันง่ายไปกระมังนิพพานมันต้องมีปัญญาด้วยก็คือเรามองนิพพานในแง่สูงจนคนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปถึงได้ แต่ความจริงมันเสียเปรียบตรงที่ว่าเรารักษาไว้นานไม่ได้อย่างที่เคยเปรียบเทียบการหายจากโรคมันไม่หายเด็ดขาดสภาพของการหายจากโรคเหมือนกันแต่ว่าของคนนี้เพียงชั่วคราวแล้วมันเกิดขึ้นอีกแต่ของคนนี้ไม่เกิดขึ้นอีกแต่สภาพของการหายจากโรคมันเหมือนกันบางท่านก็มีอาการขมเอาไว มีอาการเหมือนผู้ไม่มีกิเลสคือเวลานั้นเขาก็มีความสุขเหมือนผู้ไม่มีกิเลสแต่ว่ามันยังไม่ขาดทีเดียวมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้อีกคนกินยาควบคุมโรคได้โรคไม่กำเริบก็เหมือนกับคนหายจากโรคตลอดเวลาที่ยายังทำหน้าที่อยู่ยายังไม่หมดอานุภาพมันก็เหมือนกับคนที่ไม่มีโรคทานองนี้ล่ะครับ การดับกิเลสคือความหมายของนิพพานทีนี้ถ้าเราดับได้ชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวถ้าถีเาถ่เข้าถี่เข้ามันก็ยาวออกไปก็ได้ความสุขจากการดับกิเลสนั้นยาวออกไปหลายคนบอกว่านั่งสมาธิแล้วมีความสุขนั่นจะเป็นความสุขซึ่งเกิดจากที่จะเข้าสู่นิพพานหรือเปล่ามันก็เป็นเนคขมัสสุขนะครับ ถ้าเรามองในแง่วิขามพนะปร์หานหรือวิขามพนาวิมุตต์ก็หลุดพ้นด้วยกําลังสมาธิก็เป็นเจโตวิมุตต์มันไม่ใช่นิพานแท้แต่ก็เป็นตัวอย่างเป็นของชิมลางสุขจากสมาธิสุขเหมือนกันแต่สุขไม่แท้มันเป็นเพียงการดําเนินการไปสู่นิพาน ถ้าไม่เคร่งเกินไปก็เป็นของชิมลองมันเป็นทางเลือกว่ายังมีทางเลือกอยู่คนส่วนมากก็มีแต่กรรมสุขตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่ไม่เคยพบความสุขอื่นอย่างความสุขจากความสงบสุขจากสมาธิจากเมตตาการุณาจากคุณธรรมต่างๆมันก็รู้สึกว่าสุขอย่างอื่นไม่มีนอกจากการมสุข ก็เที่ยวเล่นสนุกสนานไปตามประสาคนทั่วไปในสมัยปัจจุบันมีบางกลุ่มบอกลูกศิษย์ว่าบัด น, นี้พระอริยะไม่มีแล้วคือว่าทํายังไงก็ไม่ได้เพราะยุค ข, ของพระอริยะมันหมดไปแล้วอันนี้ถ้าถือตามพระพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อเป็นอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ดังนั้นไม่ว่าสมัยใด แม้เวลานี้ถ้าเผื่อผู้ใดเป็นอยู่โดยชอบปฏิบัติธรรมถูกต้องผมเชื่อว่ายังมีพระอริยะอยู่น่าจะบรรลุธรรมได้ไม่ใช่ว่าการบรรลุธรรมมันหมดสมัยแล้วไม่มีแล้วจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุได้คนที่พูดอย่างนี้ทำให้หมดกําลังใจที่จะปฏิบัติธรรมให้สูงสูงขึ้นไป หัวข้อต่อไปนิพพานเป็นอนัตตาเรื่องนิพพานซึ่งสําคัญคือเรื่องนิพพานเป็นอนัตตาอันนี้ขอยืนยันว่าถ้าถือพุทธศาสนาเถรวาสก็จะเป็นนิพพานคืออนัตตามีที่ยืนยันสองแห่งแห่งหนึ่งก็ในวินัยปิโกเล่มที่8ข้อ8ปดห อันนี้บอกไว้ชัดเจนว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิพพานและบัญญัติท่านก็วินิจฉัยกันแล้วว่าเป็นอนัตตานิพพานันเจวะปันนติอนัตตาอิตินิชยาอันนี้พระคันธรสจ า, จารย์ท่านก็วินิจฉัยกันมาตั้งแต่ทำคำภีนี้คำพูดประโยคนี้ พูดไว้ตั้งแต่จาึกลงเป็นตัวหนังสือเป็นพระไตรปิฎกคำพีบริวารและอีกแห่งหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่20สิพระสุตตันตปิฎกภาษาบาลีหน้า35ข้อหพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่ทิพฐิสัมปณบุคคลในที่นี้ท่านหมายถึง พระโสดาบันจะเห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นอัตตากันจิธรร ม, มังอัตโตโอุปคัตเฉยยะจะพึงเห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอัตตารวมทั้งนิพพานด้วยนะครับเพราะคำว่าธรรมจะรวมทั้งสังคตะธรรมและอสังคตะธรรม เป็นไปได้ที่ปุถุชนจะเห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นอัตตานี่ก็ตรัสเอาไว้ชัดเจนที่มาสองแห่งนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับในกรณีที่ปุถุชนเห็นนิพพานว่าเป็นอัตตาน่าจะเป็นว่าเข้าใจผิดหลงผิดเขาอาจจะไปจับเอาตักกะว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ทีนี้นิพพานมันตรงกันข้ามคือนิพพานเที่ยงเป็นสุขก็เลยต้องเป็นอัตตาแต่มันไม่ตรงตามพุทธพจน์ไม่ตรงตามความเป็นจริงเขาพูดตักกะเช่นว่าสุนักมีขาสุนักมีหูสุนักมีตาคนมีขาคนมีหูคนมีตางั้นคนกับสุนักก็เหมือนกันอย่างนี้มันถูกตามตัก แต่ไม่ถูกตามเป็นจริงถูกโดยรูปแบบแต่ไม่ถูกโดยเนื้อหาอย่างหมากับมา้าหมาก็มีหางม้าก็มีหางหมาก็สีเส่เท้าม้าก็สี่เท้าฉะนั้นม้าก็คือหมาพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรียกว่าอ้างเหตุผลแบบทิ้งเหตุผลถ้าเอาวิชาเหตุผลมาใช้นะครับ อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ส่องแสงเหมือนกันไม่ใช่ทองเสมอไปมันส่องแสงเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ทองความคิดเรื่องนิพานเป็นอัตตาไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดตอนนี้แสดงว่าเคยมีผู้ถือเช่นนี้มาแล้วเหมือนกันท่านคันธารจนาจารย์ท่านจึงได้ร่วมกันวินิจฉัยเอาไว้แบบที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิโต ได้ทำเอาไว้อ้างหลักฐานในพระไตรปิฎกมาให้ดูทีนี้มันมีทางที่จะช่วยเหลือกันได้ก็คือว่าช่วยส่องแสงแสดงความเมตตาที่มีต่อผู้ที่หลงผิดแต่ก็ไม่มีคนที่จะเอ่ยเพราะอะไรอันนี้เพราะถ้ามีผู้ตักเตือนแต่เขาฟังแล้วไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ผู้ที่มีหน้าที่รักษาพระธรรมวินัยก็ไม่กล้าที่จะตัดสินว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาบอกว่าไม่มีหลักฐานในการวินิจฉัยลงโทษแต่จริงๆแล้วในอัถกถาพระไตรปิฎกก็มีไว้ชัดเจนว่านิพพานเป็นอนัตตาอัถกถาก็บอกและที่โบราณอาจารย์ของเรา ที่สั่งสอนกันมาก็บอกอย่างนี้ทั้งนั้นว่านิพพานเป็นอนัตตาสัปเดธามาอนัตตารวมเอานิพพานด้วยมีบางท่านที่เป็นผู้ใหญ่บอกว่านิพพานไม่เป็นทางอัตตาและอนัตตานักศึกษามาถามผมว่ามีความเห็นอย่างไรผมก็บอกว่านั่นก็เป็นความเห็นของท่านแต่ว่า ไม่ตรงกับพระไตรปิฎกไม่ทราบท่านเอามาจากไหนบางท่านพอขัดแยง้งพอชี้แจงเข้าก็จะบอกว่าไปปฏิบัติซะก่อนแล้วค่อยมาพูดก็แก้ตัวละครับพระคันธารุจนาจาร์รวมทั้งพระอัฏกถาจารย์ด้วยผลงานท่านมหาสารเพียงแต่จะอ่านตามก็ยังไม่ไหวไม่ต้องพูดถึงว่าต้องทาอย่างที่ท่านทำ คืออัศจรรย์จริงๆต้องยอมท่านว่าท่านทิ้งผลงานไว้มโหลานอัฐกะถาจารย์ท่านอุทิศทั้งกายและใจลงให้กับผลงานนี้ถ้าท่านไม่อุทิศจริงๆก็ทำงานอย่างนี้ไม่ได้ผมดูผลงานที่ท่านทาไว้ให้แล้วถ้าคนไม่อุทิศจริงๆทำไม่ได้แค่เมืองไทยของเรา ท่านสิริมังคลาจารที่ท่านรจนามงคลทีปนีถ้าหากท่านไม่ทุ่มเทที่จะค้นคว้าตามคำสอนพระพุทธเจ้าท่านจะรจนามงคลทีปนีได้ดีขนาดนี้ไม่ได้ฉะนั้นทุกระเบียดนิ้วของพุทธพจนี่ท่านต้องผ่านต้องวิเคราะห์มา แล้วก็โดยเนื้อหาถ้าหากท่านไม่เป็นผู้ปฏิบัติก็คงเข้าไปลึกซึ้งในอัดไม่ได้อย่างท่านพุทธโคสาจารย์ก็เหมือนกันผลงานมากจริงๆเพียงแต่นึกถึงก็ปีติแล้วทิ้งผลงานเป็นมรดกให้พวกเราแม้แต่จะไปตามรู้ก็ยังไม่ไหวไม่ต้องขึ้นไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ แต่คำสอนของพระพุทธโคสาจารย์การที่ใครจะตามไปรู้ทั้งหมดก็ยากมากชีวิตหนึ่งไม่พอบางคนเข้าไปอ่านผิวเผินก็ตีว่าท่านไม่ถูกก็มีคือถ้ารู้ว่าตรงไหนไม่ถูกก็ต้องบอกมาว่าตรงไหนให้ชัดเจนคือว่าคนเขียนหนังสือมากๆหรือว่าทำงานมากๆนี่อาจจะพลาดได้บ้างแต่ว่า สมมติว่าภูเขาทั้งภูเขามีต้นไม้มีสมุนไพรมากมายบนภูเขาแล้วก็มีขี้หมายอยู่สักกองหนึ่งบางคนไปเหยียบขี้หมาเข้าก็บอกว่าภูเขานี่ใช้ไม่ได้เราจะทิ้งประโยชน์ทั้งภูเขาหรือมันผิดกันเยอะจะไปต่อแย ก, กับขี้หมากองเดียวนั้นหรือหัวข้อต่อไปคุณธรรมของผู้บรรลุนิพพาน ก่อนจะพูดถึงหัวข้อธรรมเกี่ยวกับผู้บรรลุนิพพานผมจะขอเล่าเรื่องนำไปก่อนเรื่องธรรมะทินนอุบาสกเป็นผู้บรรลุธรรมเหมือนกันวันหนึ่งก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเขาไปกันหลายคน พระพุทธเจ้าก็ตรัสให้สนใจในธรรมที่ลึกซึง้งท่านทั้งหลายขอให้ศึกษาว่าสุดตันตะเหล่าใดที่พระตถาคตตรัสไว้แล้วดีแล้วมีเนื้อความลึกซึ้งในโลกุตระประกอบด้วยสุญญาตาเราจะเข้าถึงสุดตันตะเหล่านั้นเป็นนิอยู่ธรรมะถิญ น, นะอุบาทศก็กราบทูลว่า เป็นสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ได้ยากเข้าถึงได้ยากเพราะฉะนั้นขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมที่ทำได้ง่ายกว่านี้ให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายซึ่งถือศีลห้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็พึงศึกษาสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลน ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และประกอบด้วยศีลที่พระอริยะเจ้ารักใคร่อริยกันตศีลขอให้ท่านทั้งหลายสำเหนียกอย่างนี้ธรรมทินนะทั้งหลายได้กราบทูลว่าโศตาปฏิยังคะสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นชัดในธรรมเหล่านี้อยู่ คือมีความเลื่อมใสซึ่งได้พิจารณาแล้วด้วยปัญญาไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และมีศีลบริสุทธิ์ที่พระอริยเจ้ายินดีพอใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนธรรมทินนะเป็นลาบของท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายได้ดีแล้วท่านทั้งหลายได้บอกโสดาปฏิผลกับตถาคตแล้ว หมายความว่าโซดาปฏิผลอันท่านทั้งหลายพยากรณ์แล้วพยากรณ์ในภาษาธรรมะแปลว่าบอกไม่ใช่หมอดูนะครับอันนี้ก็เป็นการเน้นย้ำถึงข้อโซดาปฏิยังคะว่าพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายพึงทําอย่างนี้ท่านบอกว่าคุณธรรมเหล่านี้ท่านมีอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้ามีอย่างนี้แล้วก็เป็นพระโสดาบันหัวข้อต่อไปทมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการพระเจ้ามหานามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลถามว่าอุบาสกผู้มีปัญญาในที่นี้หมายถึงอุบาสกผู้ได้โสดาบันแต่ว่า ป่วยเป็นไข้หนักด้วยทำอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเข้าไปปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาป่วยเป็นไข้หนักด้วยรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าท่านจงเบาใจเถิดท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยเจ้าพอใจแล้ว ไม่ขาดไม่ทะลุเป็นต้นเป็นไปเพื่อสมาธิผู้เข้าไปหาอุบาสกผู้มีปัญญานั้นควรจะถามต่อไปว่าท่านมีความห่วงใยในบิดามารดาอยู่หรือไม่ถ้าเขาบอกว่ามีความห่วงใยในบิดามารดาอยู่ก็ขอให้บอกเขาว่าท่านจะห่วงใย ห, หรือไม่ห่วงใยมารดาบิดาก็ตาม เขาก็ต้องตายเป็นธรรมดาฉะนั้นจงคลายความห่วงใยในมารดาบิดานั้นเถิดจะได้สงบมีสติสัมปชัญญะถ้าเขาบอกว่าตอนนี้ข้าพเจ้าได้ถอนความห่วงใยในบิดามารดาแล้ว <c oughs> ก็ให้ถามต่อไปว่ายังมีความห่วงใยในบุตรพรรยาทรัพย์สินสมบัติหรือไม่ ถ้าเขาบอกว่ายังห่วงอยู่ก็ให้ปลอบใจเขาว่าจะห่วงหรือไม่ห่วงก็ต้องตายเพราะฉะนั้นอย่าห่วงเลยให้ไปให้สบายถ้าเขาบอกว่าเขาได้ถอนความห่วงใยได้แล้วก็ให้ถามต่อไปว่ายังมีความห่วงใยในการมาคุณทั้งห้าอยู่หรือไม่ถ้าเขาบอกว่ายังห่วงใยอยู่ ก็ให้บอกว่าให้คลายความพอใจในการมคุณที่เป็นของมนุษย์ให้ไปตั้งจิตให้พอใจในการมคุณของเทวดาชั้นจาาตุมหาราชซึ่งดีกว่าประนีตกว่าถ้าเขาบอกว่าตอนนี้เขาถอนได้แล้วก็ให้เลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆถอนความพอใจเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆ ไปจนถึงพรหมโลกว่าให้ถอนใจจากความพอใจในการมคุณอันเป็นเทวดาชั้นปรณิมมิตวะสวัตตีซึ่งเป็นชั้นหกน้อมจิตไปในพรหมโลกถ้าเขาบอกว่าตอนนี้เขาถอนจิตได้แล้วน้อมจิตไปตั้งไว้ในพรหมโลกแล้วก็ขอให้บอกว่าแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ยังนับเนื่องในสักกายะคือยังมีตัวตนอยู่ขอให้พรากจิตออกจากโรมาโลกแล้วตั้งจิตไว้ในการที่จะดับสักกายะเสถิดถ้าเขากล่าวว่าจิตของเราพรากจากโรมโลกแล้วได้น้อมนำจิตเข้าไปในการดับสักกายะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสตับพระเจ้ามหานามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นตถาคต ไม่ตราตถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้คือว่าอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วกับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรต่างกันวิมุตเหมือนกันที่นำมาเล่าด้วยจุดประสงค์สองอย่างหนึ่งให้เห็นว่าความหลุดพ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นของพระภิกษุหรือเป็นของอุบาสิาสกาเหมือนกันแม้จะต่างกันโดยเพศโดยวัยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าความหลุดพ้นเหมือนกันสองผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเช่นพระโสดาบันท่านจะเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่นมีเมตตากายกรรมเมตตาวจิกกรรมเมตตามนโนกรรมมีมาก อย่างพระเจ้ามหานามก็เป็นพระโสดาบันท่านเป็นห่วงเพื่อนพระโสดาบันด้วยกันว่าถ้าเขากำลังป่วยหนักอยู่จะปลอบใจเขาอย่างไรมีใจเอื้ออาทร อ, อันนี้ก็จะไปเข้าสารานิยธรรมคือท่านที่บรรลุธรรมเช่นพระโสดาบันจะเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออาทรมีเมตตาธรรมสูง ท่านก็บำเพ็ญสาราิยธรรมและก็ไม่เป็นผู้ตรณีอย่างที่พูดถึงวันก่อนสารารยธรรมเรียกว่าสาธารณโภคีคือบริโภคด้วยความไม่เห็นแก่ตัวคือเจือจานเผื่อแผ่เป็นคนมักให้ไม่ใช่มักได้มีทรัพย์สินสมบัติแล้วก็เผื่อแผ่เจือจานทนไม่ได้กับความทุกข์ยากลาบากของผู้อื่น มีคุณธรรมที่ตามมากับการได้บรรลุธรรมแล้วก็มีศีลสามัญญาตาเป็นผู้มีศีลดีอันนี้ก็ไปซ้ำกับที่พูดมาแล้วแล้วก็ทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นเสมอกันความเห็นอย่างเดียวกันเป็นทิฏฐิสัมปันนาบุคคลคือถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิและไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะทิฏฐิไม่เหมือนกัน คือโดยปกติก็มีทิฏฐิตรงกันแต่ว่าถึงจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างก็ไม่ทะเลาะกันคือมีลักษณะอ่อนโยนอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้บรรลุธรรมตามที่ผมตั้งหัวข้อเอาไว้โดยลักษณะที่เป็นแบบนี้พระโสดาบันท่านจึงเป็นผู้ที่มีทุกน้อยสุขมากพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเอาไว้ว่า ถ้าความทุกข์ของปุถุชนทั่วไปเหมือนกับน้ําในสระใหญ่ความทุกข์ของพระโสดาบันก็เหลือเพียงแค่น้ําบนใบหญ้าที่เราเอาใบหญ้าแห่ลงไปในสระแล้วก็ดึงขึ้นมาน้ําที่ติดอยู่บนใบหญ้านั่นแหละคือความทุกข์ของพระโสดาบันเหลืออยู่เท่านั้นเมื่อพระโสดาบันซึ่งเป็นอริยะบุคคลเล็กที่สุดมีความทุกข์เพียงแค่นี้ ทีนี้พระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอาราหันต์ท่านจะเหลือเท่าไรบางทีพระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบว่าเอาเล็บจิกลงไปในฝุ่นขี้ฝุ่นที่ติดขึ้นมากับเล็บกับฝุ่นในมหาปัตภพีทั้งหมดอันไหนมากกว่าภิกษุก็ทูลว่าขี้ฝุ่นในมหาปัตถพีมากกว่าที่ติดเล็บมีนิดเดียวพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ความทุกข์ของพระโสดาบันก็เหลือเท่าฝุ่นที่ติดเล็บบางทีก็เปรียบว่าภูเขาใหญ่ทั้งภูเขาและเอาเมล็ดผักกาดไปวางไว้สิบยี่สิบเม็ดว่าลองดูอันไหนใหญ่กว่าเล็กกว่าความทุกข์ของพระโสดาบันก็เหมือนมล็ดผักกาดนี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากคือว่าชีวิตของคนเราเป็นอยู่ส่วนมากในปัจจุบันหรือในอดีตก็แล้วแต่ ส่วนมากก็จมอยู่กับทุกข์หรือไปเพลิดเพลินซึ่งนําทุกข์มาสูต่ตัวแต่ผู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีทุกข์น้อยราบเรียบสม่ําเสมอจิตใจมั่นคงหายากบางคราวพระเจ้ามหานามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นที่เจริญใจแล้ว ก็รู้สึกจิตใจมันผ่องใสมั่นคงดีแต่พอกลับเข้าเมืองรู้สึกมันวุ่นวายไปหมดเลยพระองค์ก็ทรงวิตกว่าถ้าสิ้นพระชนลงในขณะนั้นคติสัมปรายาภพจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าสิ้นพระชนต่อหน้าพระผู้มีพระภาคก็คงไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่ามหาบาพิษพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา อวินิปาาธรรมโมนิยะโตเป็นผู้แน่นอนสำโบธิปรายโนเป็นผู้ที่จะต้องรู้ธรรมเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเบื้องหน้ามหาบาพิตรอย่าวิตกเลยพระพุทธเจ้าก็ปลอบสกิดคือบางทีก็อาจจะหลงลืมไปบ้างเป็นบางครั้งบางคราวพระองค์ก็เตือนว่าพระโสดาบันไม่ต้องวิตกถึงทัตติสัมป라ยภพ โสดาบันสกิทาคามียังครองเรือนยังบริโภคกรรมสุขอยู่และได้รับโลกุตระสุขไปด้วยแต่ความแตกต่างกับปุถุชนคือโสดาบันมีความทุกน้อยแต่ความวิตตกก็มีอยู่บ้างพระพุทธเจ้าก็ได้สรุปว่าธรรมมาพิสมัยการได้บรรลุธรรมมีประโยชน์อย่างนี้มีอนิสงส์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ คือให้กำลังใจเมื่อคนส่วนมากมีทุกข์เดือดร้อนต่างๆแล้วผู้ที่อยู่กับธรรมได้บรรลุธรรมและมีทุกข์น้อยอย่างนี้มันก็ได้มองเห็นอนิสงส์ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมเลื่อนมาถึงเรื่องกัลยาณนัปุถุชนก็อยู่ใกล้กับอริยชนเป็นปุถุชนอยู่แต่จัดเป็นปุถุชนชั้นดีมีศีลมีธรรม แม้จะมีเส้นแบ่งอยู่แต่มันเหมือนชายแดนที่มันอยู่ติดกันมันอยู่ใกล้กับอริยชนเพราะฉะนั้นตามมาติของอัธกถาจาร์จัดกรรยานปุตุชนผู้มีศีลมีธรรมเข้าเป็นพระเสขะด้วยเหมือนกันตามพระบาลีนั้นพระเสขะก็เจ็ดจำพวกผู้ดำรงอยู่ในโสดาปติมาร์โสดาปติผลเรื่อยไป จนถึงผู้ดำรงอยู่ในอรหัตตะมักก็เป็นเจ็ดก็เป็นพระอริยะทั้งนั้นที่นี้พระอัฏฐกถาจาร์จัดกัลยาณปุถุชนเข้าไปในพระเสขด้วยคือเป็นผู้ศึกษาเพื่อการบรรลุเข้าไปเป็นพระอริยะคืออยู่ใกล้กันมากแม้จะยังไม่ข้ามแดนนั้นไปนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจผมยังมั่นใจว่า ถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบจริงๆแล้วมรรคผลยังเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้ในปัจจุบันผมขอโยมาถึงพุทธสี่จำพวกกาลยาณปุปุชนที่มีความรอบรู้มีความแตกฉานในพุทธธรรมท่านจัดเป็นพุทธจำพวกหนึ่งด้วยพุทธมีสี่จำพวกคือหนึ่งสัมมาสัมพุทธ 2. ปัจเจ ก, กพุทธส 3. อนุพุทธคือผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วตามพระพุทธเจ้าคือพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป 4. ส, สุตตพุทธท่านหมายถึงแม้ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าแตกฉานในพระธรรมวินยัยหัวข้อต่อไปองค์แห่งความเป็นพระโสดาบัน มีหัวข้อธรรมที่แปลกอยู่ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในพระไตรปิฎกสั่งยุตตนิกายมหาวารวักเล่มที่19และทีฆานิกายปาติกวักเล่มที่11อกล่าวถึงโสตาปฏิยัง้าอีกชุดหนึ่งองค์แห่งความเป็นพระโสดาบันหรือคุณเครื่องให้บรรลุโสดาปฏิผล ก็ทำที่เราเคยเรียนกันมาในนวโกวาทนั่นเอง 1. สัปปุริสูปสังเสวการคบคนดี 2. สัตธรรมมสวรนังการฟังธรรมของคนดี 3. โยนิโสมนัสิกาโรการพิจารณาโดยแยบคาย 4. ธรรมานุธรรมปฏิปัติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสี่ข้อนี้เป็นคุณเพื่อให้บรรลุโสดาปติผลถ้าอบรมแล้วทำให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อโสดาปติผลไม่เพียงแต่โสดาปติผลไปจนถึงสากิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลจตารูเมพิคเวธรรมาพาวิตา โสตาปติภะสัชกิริยายะสังวัตติตกตเมจัตตาโรสั ป, ปุริสูปสังเวสวะสถธรรมสวนณังโยนิโสมณสิกาโรธรรมานุธรรมปฏิปัติทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อโสดาปฏิผลและในข้อความต่อมา เป็นไปเพื่อการบรรลุสกิทาคามิผลเป็นไปเพื่อบรรลุอนาคามิผลเป็นไปเพื่อบรรลุอารหัตตะผลเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเป็นไปเพื่อความเจริญทางปัญญาเป็นไปเพื่อความภัยบู์แห่งปัญญาผลนี่ไม่ใช่เล็กน้อยธรรมนี่ดูง่ายๆคบคนดีฟังธรรมของคนดี โยนิสโสมนสิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้ในสังยุตตนิกายมหาวาราวักพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเก้าข้อ1634เป็นต้นไป